มีสัตว์เนไหมมีเนยไหมนะใครจะพากันเนคือนเนยเนแล้วได้ผลยังไงไม่เคยเห็นมีใครมารายงานนะะเนแล้วได้ผลยังไงบ้างไม่เห็นมีใครมารายงาน น, นี่นือ ที่เราส่วนนี้ก็ไปดูนะไปดูไปศึกษาคำแปลแล้วก็ดูแง่ของการเอาสติไม้ใช้ให้เกิดประโยชน์เราทำสองขั้นตอนขั้นตอนแรกสมัคนขั้นตอนต่อไปก็พิจารณาตามหลักมหาสตินี่แหละเป็นวิปราึา มันเป็นงานที่ล้นไม้ล้นมือไม่ใช่มา น, นั่งเฉยๆไม่ทํางานแบบไม่มีงานทํามันมีงานที่จะต้องทําแบบล้นมือไม่ใช่มา น, นั่งสงบมันไม่ใช่นะฮะงานทั้งนั้นเลยที่เราสวดไปเป็นงานทั้งนั้นเลยบทพูดชงเนี่ย บนพวทชมพชงองแห่งการตรัสรู้สติธรรมวิญญาณวิริยะปีติปัสสธิสมาธิอบิขาปัสสธิสงบ ก, กายสงบใจเบากายเบาใจอ่อนกายอ่อนใจอ่อนนิ่มไปกับงานมันอ่อนนิ่มไปกับงานไม่ใช่อ่อนแอ ไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนแอสงบกายสงบใจสงบสงัดแนบแน่แนอยู่ในหัวใจของผู้ทั้งใจปฏิบัติประสัที่สติสังเวดชมสติมีกำลังสติมีพลังธรรมวิญยะสอดส่องธรรม มอขการเดียวกันนั่นแหละเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงยักย้ายผันแปรสอดสอง่งพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปตามไปตามมาย้อนมาย้อนไปธรรมวิจิะรสอดสอง่งธรรมเอาอะไรไปสอดสอง่งเอาสติเอาปัญญาเนี่แหละไปสอดสอง่งสติสัมปชัญญะ พัฒนาด้วยกันเป็นปัญญาสติปัญญาปัญญาที่ยังไม่เกิดเป็นปัญญาโดยอัตโนมัติยังไม่เกิดเป็นปัญญาญามันเป็นปัญญาขั้นพื้นฐานที่เราใช้ใช้ความนึกความคิดใช้ความนึกใช้ความคิดหัดดูกริยาอาการภายในจิตของเราเช่นอย่างเราพิจารณาขันท่าเลย เมื่อกี้เนี่ยทั้งหมดทั้งความทุกข์ทุกทั้งหลายทั้งปวงสุดยอดมาที่ขันทังถ้าเราไม่มีขันทัง้าโสกัดปริเทวะทุกข์ัดโทมนัสสตตลอดจองอุปายาสะอุปายาตความเหี่ยวแห้งทุกระถ่มตรอมใจมันก็ไม่มีแต่ด้วยเหตุที่มันมีปัญจขันธ์สินัน้นก็ตามมาเราะฉะนั้นรวมทุกทั้งหลายทั้งปวงก็รวมที่ปัญจขันธ์ ปัญญฉันคือร่างกายของเรากับจิตใจของเรานะี่ยนคือรวมก่อทุกข์อยู่ที่นี่รวมมาอยู่ที่ใจใจเป็นตัวศึกยอดก่อทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ที่นี่ทั้งหมดแล้วตัวสมุทัยแห่งกออทุกขนะ์ตัวรักเมาก่อทุกข์มันอยู่ที่ใจคือตัวตัณหานี่มันอยู่ที่ใจ คนีเป็นตัวรับเหมากองทุกเสานี่มันไม่มีใจมันไม่เกิดความรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ทัดลมต้นไม้ต้นไม้เป็น <c oughs> ต้นไม้ที่มีชีวิตมันก็แสดงกิริยาความทุกข์ให้ปรากฏ <c oughs> เช่นเราไปฟันปับ๊บมันอยู่กับต้นมันมันเขียวสดนะ <c oughs> พอเราไปฟันปับ๊บ มันขานลองปุบร่วงไปห้านาทีสิบนาทีมันก็เหี่ยวมันก็หอ่อใบมันมันก็เหี่ยวมันก็ห่อนั่นคือค่ะเรียก ว, ว่าทุกขลักษณะนั่นคือความทุกข์ของมันแต่มันมีเฉพาะทุกขลักษณะลักษณะของความเปลี่ยนแปลงคือความทุกข์นี่ก็เรียก ว, ว่าทุกขลักษณะลักษณะของทุกข แต่มันไม่รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดเพราะไม่มีตัวไปรู้สึกไม่เคยเห็นมีต้นไม้ร้องไห้เพราะถูกฟันถูกตัดถูกฟันถูกเลื่อยไม่มีเพราะมันไม่มีวิญญาณครอบมันมีแต่สัญชาตญาณสัญชาตญาณ น, นี้มันเป็นไปโดยธรรมชาติของมันเช่นอย่างมันเอง็งต้นมันออกไปหาแสงแดดเนี่ย มันใช้ต้องใช้แสงแดดปรุงอาหารมันถ้าต้นไม้ต้นไหนมันไม่ถูกแสงแดดครอบให้เลยมันอดอาหารต้นไม้อดอาหารไม่มีไม่มีอะไรปรุงอาหารไม่มีเครื่องเครื่องปรุงเหมือนในครัวเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องปรุงพวกกับพวกแกงพวกอะไรไม่มีเครื่องปรุงมันอาศัยความร้อน ความร้อนคืออุณหภูมิมันอาศัยอุณหภูมิเนี่ยปรุงอาหารอะอุณหภูมิก็คือความร้อนลบศูนย์องศาก็เรียกว่าความร้อนลบสองลบสามลบสิบลบยีบห้าลบสามสิบมันก็คือความร้อน อุณหภูมิติดลบคือความร้อนมันมีอยู่น้อยมีอยู่น้อยมากอุณหภูมิแปลว่าความร้อนมันเป็นไฟมันเป็นอุณหเตโชเป็นธาตุไฟเป็นธาตร้อนอุณหเตโช สีหะเตโชไฟร้อนไฟเย็นติดลบถือว่าเป็นสีสัะเตโชเป็นไฟเย็นติดลบหมายความว่ามันหนาวจนติดลบแต่มันก็ยังเป็นความร้อนเป็นอุ่นเขาใช้คําว่าอุณภูมิอย่นั้นแหละอุณหะคือความร้อนภูมิเป็นความร้อนอุณหภูมิภูมิความร้อ น, อน ต้นไม้มันไม่มีวิญญาณแสดงทุกขลักษณะให้เป็นที่ปรากฏกับเราแต่มนุษย์เรานี่ไม่ได้น้ำซ้ำยังมีปากร้องไห้ได้อีกโฮได้เลยเนี่ยมนุษย์รู้จักไหมเพราะมนุษย์มีใจครอรู้เจ็บรู้ปวดรู้เจ็บกายรู้เจ็บใจ รู้ปวดกายรู้ปวดใจในมนุษย์ความทุกข์ความทุกข์ ค, กครองความกายก็รับรู้ครองนําใจก็รับรู้เสียบกเสียใจจบลงแล้วก็คือออกทุกข์ทั้งหลายมาโวมลงที่ขันรูปประขันนามาขันเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณปัญจปาฐานขันธาทุกข์ัน รูปปาทานคันโถเวทนูปาทานคันโถสัญญาปาทานคันโถนั่งารูปาทานคันโถวิญญาณูปาทานคันโถ ท, ท, ท, ทุกเพราะอะไรรู้จักไหมทุกเพราะยึดเอาถือเอา ปัญจุปาทานักขันธาทุกขายึดขันทั้งห้าว่าเป็นเราว่าเป็นของของเรายึดรูปว่าเป็นเราอุปาทานปัญจุปาทานักขันธาทุกขารูปูปาปาธานักขันโทอุปาทานในรูปยึดเอาโรคทุกเพราะอะไรทุกเพราะยึดในรูป ทุกเพราะยึดในเวทนาทุกเพราะยึดในสัญญาในสังขารในจิต ญ, ญาณทุกเพราะยึดจิตมันไปยึดทําไมมันจึงไปยึดอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาตัณหามันครอบงำจิตกัญหามันโผล่ขึ้นมาอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาแสดงความปรากฏว่าเป็นเจ้าของของเราของเรากายเราเวทนาสัญญาสังขารจิญญาณของเราเกิดความทุกข์ ท่านให้เราดูจนไม่เกิดความรู้สึกว่าเป็นของเราว่าเป็นเราเราก็มาทำความศึกษาดูว่าไอ้คว่าเราเราเราๆตัวนี้อะไรมันเสกสรรให้จะเป็นเหตุอห้เราสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราตัณหาความดิ้นรนความอยากความทะเยอทะยานของใจขาดสติขาดสัมผััญญายึดเอาโดยสัญชาติสัญชาติปัญญา โดยธรรมชาติของมันที่มีอยู่ในภายในมันยึดเอาทุกแก่เป็นทุกแก่เป็นทุกเจ็บเป็นทุกตายเป็นทุกเพรายึดมัน่นถือมั่นว่าเราแก่ร่างกายรี่มันสู้มันผอมไปตามกิริยาอาการของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ใช่เราแก่แต่ความรู้สึกมันบอกว่าเราแก่ เกิดความสําคัญมั่นหมายสัญญาอารมณ์ยึดเอาด้วยสัญญาอารมณ์ปรกกายราว่า ก, กายของของเราเราดูไงเราถึงมาคลี่คลายตรงนี้ได้เรามูงไปที่เหตุปัจจัยของกายเหตุปัจจัยของกายถ้าก็บอกอยู่แล้วกายประกอบไปด้วยดินด้วยน้ําด้วยลมด้วยไฟก็เพราะใ จ, จเรามายึดกาย ใจเรามครองกายใจยังครองกายอยู่แต่ใจไม่ยึดกายได้ไหมใจครองกายอยู่เหมือนอย่างเรามีกายมีใจอยู่แต่ใจไม่ยึดกายได้ไหมพระริยเจ้าท่านมีความสามารถทำได้โดยที่เหตุที่ใจท่านไม่ยึดกาย พิจารณาเห็นกายเป็นส่วนประกอบมีส่วนประกอบมีธาตุดินมีธาตุน้ามีธาตุลมมีธาตุไฟเราแยกแยกผู้รู้ว่าผู้รู้ว่าเป็นกายผู้รู้ว่ามีกายมันมีตัางหาคือจิตคือผู้รู้คือธาตุรู้แต่ตัวเหตุที่ธาตุรู้มีความอยากลื่นรอนอยู่ข้างในมันไม่ใช่ธาตุรู้ที่บริสุทธ ถ้ารู้มันก็เลยยึดยึดว่าเป็นกายเราว่าเป็นกายของของเราหลงยึดหนะลงยึดไม่ให้ฉลาดยึดนะหลงยึดโมหะคือความหลงหลงยึดคำว่าหลงยึดเหตุปัจจัยมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าไม่ได้พ่สุดดูข้อเท็จจริงเหตุปัจจัยเป็นไปของเขา ของมันเป็นมาของมาันเราไม่ได้ดูไม่ได้ยอด้อนดูให้เห็นเป็นเหตุเห็นเป็นปัจจัยเราดูว่าเราเกิดในท้องแม่เราก็ไม่รู้เรื่องเราเกิดในท้องแม่โตมาเรื่อยโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยเกือเดือน 7, 8, 9, 9, เดือนเก้าเดือนออกมาเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องอาศัยว่ามีจิตของเรานึ่เข้าไปจับไปจอง มันยังถึงคราวที่ไม่รู้เรื่องเมื่อนอนหลับไม่มีเวลาเวลาว่ากลางวันกลางคืนยาวนานเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องเมื่อสลบไปเลยเมื่อสลบแต่ถ้าเป็นจิตของพระอริยเจ้าเช่อนอย่างระดับพระศาสดาพระพุทธเจ้าสามารถแสดงอะไรให้มารดาปรากฏได้ ทำให้มารดาเหมือนกับมองเห็นทารกอยู่ข้างในนอนขุดคู่อยู่สบายไม่เร่าร้อนไม่เดือดร้อนไม่อะไรแต่ไรนั่นคื อ, อคือปิญญาพระโพธิสัตว์ปฏิบัติปิญญาพระโพธิสัตว์ปฏิบัติแสดงอภินิหารนะี่เป็นที่ปรากฏแก่มารดาเหมือนกับมองเห็นนั่ง สบายอยู่ข้างในแต่สำหรับพวกเราแล้วาไม่รู้เรื่องอะเหมือนสลบเลยแหละออกมาออกมาสัมผัสกับอากาศข้างนอกนั้นถึงจะแวขึ้นมาแหละ <c oughs> เพราะอะไรต้อมทุกข์ตกตกฟ้าออกมาทุกข์ละเนี่แอะร้องทันทีอ่ะบางคนไม่ร้องก็มีเขาก็ว่า ราก็เด็กตื่นมันถูกอากาศบางคนก็บอกว่าพาะมาถูกอากาศแล้วมันปวดมันแสบใครจะว่าไปกตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องทั้งๆ ท, ที่เราออกมาเราแวะแต่เราก็ไม่รู้เรื่อง <laughs> เราไม่รู้เรื่องใจของเราคือท่ารู้คือผูรอกรู้มันมายึด ยึดรูปยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณยึดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราเราใช้สติกำหนดจดจอ่อรออยู่เฉพาะหน้าไม่ให้กิริยาอาการสัญญาตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาให้เกิดแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์ที่รับทราบรั บ, ร, บรู้ มันไม่ได้แสดงกิริยาอาการปกบอกว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราว่าเป็นอัตตาว่าเป็นอนัตตาต่างคนต่างอยู่ต่า ง, งคนต่างอันต่างอันการจริงของมันเราใช้สติใช้สัมผัสยัยกกำหนดจดจ่อพิจารณาโรค้ลองด้วยเหตุที่มีกิริยาแบบนี้ สามารถทําได้ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าได้ทําสืบช่วงให้ยาวกี่กันพืชไปได้มันก็เป็นการเหมือนกับมันแยกโดยอัตโนมัติเข้ามาทําได้เต็มที่มีพื้นมีฐานมีอานาจเต็มที่ทําลายการยึดมั่นทําลายการถือมั่นเกิด ค, ความสําคัญทําลายความสําคัญมั่นหมายที่มันมายึดเอามาถือเอาได้ เห็นกายสักถวัตพินกายไปเห็นผู um> ้รู้สักถวัตผ well ู้รู um ้ไปผู้รู้ผู้รู้ไม่มีผู้อยากอยากไปยึดอยากไปถือโดยเหตุที่ปล่อยให้ยึดให้ถือมาตั้งแต่กี่กับการปุโริชาติมาจนไม่รู้จับหมดไม่รู้จับสิ้นซ้ำรากอยู่นั้นแหละจนเคยจนเคยฉิน กว่าเราจะมาได้ยินได้ฟังมาฝุกมาฝนมาอบอรมารมหัดปล่อยหัดลากหัดวางโอ้มันกระเหนี่ยวแน่นมันของเหนี่ยวแน่นมันของมากเป็นเหตุมนุษย์ได้ยินได้ฟังต้องได้ยินได้ฟังนะครับกต็ตือรือร้นฝุกฝนอบรมไปสั่งสอนอบรมไปเป็นพบๆไปเป็นชักๆไป เราพัฒนาได้เพราะาัเราสามารถพัฒนาได้เราลองพยายามเจริญสติมันโรยอยู่ชาบหน้าเราเกิดไหมเกิดความรู้สึกไหมว่าเป็นเราว่าเป็นของของเร า, า, เ, ราเกิดความรู้สึกไหมเราพยายามทําความกําหนดจดจโจลองดูด้วยเหตุที่มันมีอย่างนี้เราจึงสามารถพัฒนาธรรมะในหัวใจของเราเป็นไปได้ มันดื้อมันดีบมันดิ้นมันโอดดิ้นไปมาดิ้นรนทะเยอทยานเพราะฉะนั้นท่านจึงให้จับให้มันอยู่ให้มันหยุดหยุดดีบหยุดดิ้นสงบนี่เป็นสมถะให้สงบเป็นสมถะโอดดิ้นมันไม่ดิ้นไปไหนดอกมันดิ้นไปกับอารมณ์ดิ้นไปกับรูปกับเสียงกับเครื่องกับราวกับมน่นกับนี่กับอะไรที่เพลินใจ ที่จิตอกจิตใจมันเคลิ้นแต่กิดสีลนั้นมันเคลื่อนไปเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สมถะคำว่าสมัสสัมปัสสัมปะคือสงบเข้ามาจักให้ันอยู่หยุดบอกให้มันหยู่เฉยเฉยมันไม่หยุดนะต้องทํางานให้มันเอาสิ่งที่เป็นธรรมมาบริการพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธ เพื่อเป็นการตั้งสติเพื่อเป็นการปลูกสติเพื่อเป็นการปลุกความตื่นของจิตอันตื่นใันรนี่คําว่าพุโทโธนะยิ่งใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาเราดูความสําคัญให้เห็นกับความหมายกับที่เราใช้คำบุตรคาบริกรรมแต่ละขณะแต่ละขณะน่ะมันปลุกจิตของตัวเองให้ตื่น ให้อยู่กับบทธรรมพราะบทธรรมบทนี้มันเป็นบทธรรมที่ไม่ทําให้กิเลสตัณหาเพาิ่มเ พ, พิ่มผูจวีคูในหัวใจมันไม่เกิดความรักเกิดความชังมันฉักแต่ว่ารู้พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโธโยกับพุทโธผู้รู้ถึงจะสงบขึ้นมาเป็นตัวของตัวเป็นอิสระไม่ติดกิริยาอาการของรูปของเสียงกลี่นร็สัมผัสมันไม่ติด มีสติตื่นรู้รูบริกรรมอยู่อยู่กับงานไม่ปล่อยมันอยู่กับงานไม่ปล่อยมันเนี่ยทําไปทําไปทําไปและกิตมีความสงบเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานเสร็จแล้วค่อยพิจารณาพิจารณาแบบนี้แหละเห็นไหมเราเห็นพจน์ชมสติธรรมวิจยิตรสอดสองธรรมก็คือพิจารณาธรรมส่วนไหนที่เป็นรูปธรรมส่วนไหนที่เป็นนามธรรม ความเป็นไปของรูปธรรมมันเป็นไปยังไงมันมายังไงมันไปยังไงรูปธรรมของเราดูให้เห็นความน่าเบื่อหน่ายของมันกิยาการของมันมันไม่เคยคงที่ที่ไปที่มาของมันมันมารวมกันแล้วมันไม่คงที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเหตุปัจจัยของมันมันมาอย่างนั้นมาอย่างนั้นมาตั้งอยู่อย่างนี้แล้วก็มันก็จะดับไปอย่างนั้น เพราะมันไม่อยู่มันไม่หยุดอยู่กับที่มันไม่นิ่งอยู่กับที่มันไปจนสุดขีดหมดแนนอ่ามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยมันท้องเราตึงๆเนี่ยอปล่อยล่วงไปชั่วโมงสองชั่วโมงมันขับมันย่อยมันสลายเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนนั้นส่วนนี้อ่าแฝบอยูแล้วแสดงความต้องการเอามาบดมาขยี้่แล้ว ใส่ก็ไปให้มันทางป่านะมันเรื่องของที่มันไม่อยู่เท่าเดิมมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนั้นพยาการของกายมัอยู่อย่างนี้จิตของเราก็มาใส่สิ่งเหล่านี้เพื่อมันใช้ประโยชน์เพื่อเอามาทําประโยชน์เอารูปธรรมเอานามธรรมเนี่ยมัดมันให้มันอยู่ยุดไม่ให้มันเล็กมันคิดเป็นสมถะ มันมีคลังมันแนบแน่นมันมั่นคงอยู่ในหัวใจพิจารณาแยกแยะดูกิริยาอาการมันมันที่มันแยกมันแยกขยับไปขยับมามันก็เอาปวดนี่แหละปวดเท่านั้นจ่อไปเท่านั้นจ่อมาตรานี้จ่อมาตรงนั้นจ่อมาท่านี้พิจารณาดูตรงนั้นดูตรงนี้ไล่หรือเราจะมาไล่ง่ายๆไล่เป็นท้องเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังดู อะไรตัวนั้นเป็นเราผมเราเลย ผ, ผ, มผมลยยอของเราผมของเรายยำจ่อไปดูไอตัวที่คําว่าเราเราหรจ่อไปดูตัวนักคืออะไรมันเปการทําลายความหลงอีกทีหนึ่งบางทีมันบอกไปด้วยอาการของความรุ่มหลงเพลินหลงเดินยึดเพลินเกาะเพลินถือจ่อลงไป ดูเหดูปัจจัยให้ทั่วถึงรู้ที่ไปที่มาของรูปรธรรมรู้ที่ไปที่มาของนามธรรมา ท, ที่ไปที่มาของนามธรรมา ท, ที่มีอยู่ในเฉพาะปัจจุบันก็คือกิริยาอาการของธรรมกับกิริยาอาการของกิเลสที่มันต่ อ, อกันกันเทนั้นองอาศัยวิริยอุธสาหาอาศัยความภาคความเพียปรปัจจติวิรยิยะ ธรรมวิจยะธรรมวิจยะทำด้วยวิริยะวิริยะธรรมวิจยะแปลว่าสอดส่องสอดส่องก็คือการใช้ปัญญาวิริยะก็คือขยันมันเพียนสอดส่องวิริยะปีติปีติก็คือผลปรากฏปีติควา ม, มอิอ่มเอิบปัสจัติความสงบ ความสงบทําให้เกิดปัจสถที่ปัจสถาน์ที่ความสงบทําให้เกิดปีติปีติทําให้เกิดความสงบความสงบทําให้เกิดปีติทั้งหทั้งเ็ดอันเนี่ยเป็นอันเดียวกันเมือเราทำงานไปแล้วมันก็เป็นก้อนเดียวกันเป็นแท่งเดียวกันเป็นสมาธิเป็นอุบีขาอุบีขาคือวางเฉยเป็นกลางไม่ยังซ้ายไม่ยังขวา เป็นอุเบกขาไม่ใช่อุเบกขาเวทนานะไม่ใช่อุเบกขาเวทนานั้นปัตสัตติสมาธิอุเบกขาวางเฉยเป็นกลางไม่เอียงซ้ายไม่อียงขวาปล่อยวาง ปล่อยแล้วก็วางเพราะเข้าไปรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็วางมันหากเป็นโดยอัตโนมัติเพรามันแต่ถ้าเรายังไม่รู้มันก็ก ร, รมอยู่อย่างนั้นแหละยังไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอส ร, รพิษจับอยู่ในนั้นเลยงูที่แรกคิดว่าเป็นปลาไหล <c oughs> จะเป็นอาหารอย่างโอยชะโอ้ยพิษระเบปล่อยทิ้งเลย ทิ้งอย่างรวดเร็วแหละรล้นึเป็นบทธรรมที่สำคัญสำคัญเอามาใช้พิจารณาเอามาใช้ภาวนาอ่าวันนี้เอาเท่านี้แลหละจะไปเนไปอะไรก็ไปตั้งเอาเอง